1. กุตตรติกะสองสหชาตาวานหนึ่งปั จ, จญานุโรมหนึ่งวิพังควาณเหตุปัจจัยสองรอ ส, ส, สิสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดพร้อมกับขันหนึ่งที่เป็นกุศลขันหนึ่งเกิดพร้อมกับขันสาม ขันสองเกิดพร้อมกับขันสองสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันหนึ่ง ที่เป็นกุศลขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันสามขันสองและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันสอง235สหสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดพร้อมกับขันหนึ่งที่เป็นอกุศลขันหนึ่งเกิดพร้อมกับขันสามขันสองเกิดพร้อมกับขันสอง สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤะเะกิ ด, เกดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูป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 ขันหนึ่งและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันสามขันสองและจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันสองในปฏิสนธิขณะขันสามและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันหนึ่งที่เป็นอัพยกาตาวิบากขันหนึ่งและกัตตารูปเกิดพร้อมกับขันสามขันสองและกตัตตารูปเกิดพร้อมกับขันสองหาไยวัตถุเกิดพร้อมกับขันขันเกิดพร้อมกับหาไทยวัตถุ มหาภูตรูปสปกตตป เ, ปปปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปหนึ่งมหาภูตรูปหนึ่งเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสมหาภูตรูปสองเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสองจิตตสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูป237สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤต เกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตจิตตสมุทฐานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์ที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูป ในวงเล็บพึงขยายพิสดารเหมือนในปฏิจจวาลหนึ่งปัจจยานุโลมสองสังขยาวานสองร้อยสามสเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอารามานปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมานันตรปัจจัยมีสามวาระสหัชชะตปัจจัยมีเก้าวาระ อัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระ ชานาปัจจัย ара, มีเก้าวาระมัคคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิกตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบในวงเล็บเพิ่งนับวาระ เหมือนการนับในปฏิจจวาล 2. ปัจจยะปัจจานยะหวิพังควาล น, นเหตุปัจจัยสามสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สารคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ถรารคตด้วยอุทจจะ เกิดพร้อมกับขันธ์ที่ทอรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทอรคตด้วยอุทธัจจะสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตเกิดพร้อมกับสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตเพราะนเหตุุปปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทนานรูปเกิดพร้อมกับขันธ์หนึ่งที่เป็นนเหตุกะซึ่งเป็นอัพยากตวิบากและอัพยกตกิริยาขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทนานรูป เกิดพร้อมกับขันสามขันสองและจิตตสัมปทานรูปเกิดพร้อมกับขันสองในปฏิทนที่ขณะที่เป็นอเหตุถูกะขันสามและกตาตารูปเกิดพร้อมกับขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากขันหนึ่งและกตาตารูปเกิดพร้อมกับขันสามขันสองและกตาตารูปเกิดพร้อมกับขันสองหาไทยวัตถุเกิดพร้อมกับขันขันเกิดพร้อมกับหาไทยวัตถุ มหาภูตรูปสามเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปหนึ่งมหาภูตรูปหนึ่งเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสามหาภูตรูปสองเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปสองจิตตสมุทฐานารูปและกตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปเกิดพร้อมกับมหาภูตรูปที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐาน สำหรับเราอสัญญาสัตยพรมมหาภูต ร, รูปสามเกิดพร้อมกับมหาภูต ร, รูปหนึ่งละกะตัตารูปที่เป็นอุปาทายรูปเกิดพร้อมกับมหาภูต ร, รูปในวงเล็บพึงขยายให้พิษดาลเหมือนในปฏิจจวาล 2. ปัจจยะปั จ, จนียะสสังขยาวานนเหตุปัจจัยมีสองวาระ นาอารัมณปัจจัยมีห้าวาระนาอธิปัติปัจจัยมีเก้าวาระนาอนันตรปัจจัยมีห้าวาระนาสมนันตรปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยมีเจดวาระนาปัจชาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนาอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระ นกกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมะขะปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยมีสามวาระโนนติปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยมีห้าวาระ ปัจจนยจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจ尼ยะสองอยสี่นาอาร ara, ามนะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระนอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระ ณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิเตยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ นวิปากับปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีเก้าวาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตาปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสมวาระโนนัตถิปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีห้าวาระอนุโลมปัจญิยะจบ 4. ปัจจญปัจจนญาอนุโลม 242อารามณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระสมนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนิสยาปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระ อุปนิเตยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอาเสวณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระกามปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระ ชาณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระมัคคัปปะจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระวิกขาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระ อวิคตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีสองวาระปัจจิยานุโลมจบสหชาตาวานจบในวือเล็บที่เป็นปิิจาวาลได้แก่สหชาตาวาลที่เป็นสหชาตาวาลได้แก่ปิิจาวาล1กุศลติกะ3ปัจจวา1ปัจจัานุโลม 1. นวิพังควาล เหตุปัจจัย243สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งทำขันธ์สามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์สองทำขันธ์สองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะดิตทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตจมุติฐานรูปทำขันที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัยกฤะดิษฐ์ทสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตจมุติฐานทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตจมุติฐานรูปทำขัน สให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและจิตตาตมุฐานรูปธรรมขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น244สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งทำขันสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสอง ar, ทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตธธรรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตธมุฐานรูปธรรมขันธ์ที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิทธธรรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามได้จิตตธรรมุฐานรูปธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ข, น ข, นขนันหนึและจิตตสมุทฐานรูปทำขันสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น24งสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทธทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย แ ก, ก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นอัพยากะตวิบากและที่เป็นอพยากตกิริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตสม alors, ุทฐานรูปทำขันสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขนันสองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนทิขณะขันสามและกะตะตารูปทำขันหนึ่งที่เป็นอัพยากะตะวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันหนึและกัตตารูปทำขันสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและกัตตารูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหัตถ a วัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหัตท ay วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งทำมหาภูตรูปสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น มหาภูตรูปสองทำมหาภูตรูปสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสัมปฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอพยากัตาวิบากและที่เป็นอพยากตการิยาทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศล ทำสภาวธรรมที่เป็น <the> อ <language sa ith> <the language sa ith> <sh> ัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากริตทำสภาวธรรม ท, ที ique, ่เป็นอัพยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทำหัตถายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากริตทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย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 ขันหนึ่งทำขันสามและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริทธรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากริให้เกิดขึ้นให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตยธรรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลและหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งทำขันสามและหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสัมปทานรูปทำขันที่เป็นกุศลและมหา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 แก่ขันสามทำขันหนึ่งที Zahlen, médico, anything, dw, ่เป <to> <enam accord> ็นนกุศลและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งทำขันสามและหัตถ a วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตะมุฐานรูปทำขันที่เป็นอกุสสนและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอารามณปัจจัย248 สภาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัยได้แก่ขันสามธรรมขันหนึ่งที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งธรรมขันสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองธรรมขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสองร้อ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามานปัจจัยได้แก่ขั้นสามทำขั้นหนึ่งที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขั้นหนึ่งทำขั้นสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขั้นสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น250สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตทำสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามานปัจจัย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 ขันทำหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจะขุว claro. ิญญาณทำจกขายัตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโสตวิญญาณทำโสตายัตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นคารณวิญญาณทำคานายัตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นชิวหาวิญญาณทำชิวหายัตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันที่เป็นอัพยากตะวิบากและได้เป็นอพยากตากิริยาทมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลทมสภาวะธรรมที่เป็นอัพยกริให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาระมณ ะ, ะปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น251สภาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัย ได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลและหัตถ ay วัตถุให้เป็นป e ัจจัยเกิดขึ้นและขันสองทำขันสองและหัตถ a วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น252สภาวธรรมที่เป็นอกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยกฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและหัตถ a วัตถุให้ เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองและถ่ายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิปฏิ ป, ปัจจัย253สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิ ป, ปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤะดิตทสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤะ ต, ตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะมุทานรูป ทำขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและจิตตะมุฐานารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอัพยการตวิบากและที่เป็นอัพยการตกิริยารทำทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลธรรมใหยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวึงเล็บพึงขยายให้พิจารณเหมือนเหตุถูกปัจจัยอนันตารับปัจใจและสมนันตรัปัจจั ย, ย254 ส ภ, สภาวธรรมที่เป็นกุศลธร ร, ร, รส ม, ออรม ส, สภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมานันตรปัจจัยในวงเล็บพึงขยายให้พิดาราเหมือนอารามณปัจจัยสหชาติปัจจัย255สภาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัย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 ในปฏิสนที่ขณะละธรรมหาภูต ร, รูปหนึ่งละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับเราอาจารย์ยศตพมรรมหาภูต ร, รูปหนึ่งละกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปธรรมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจะคูวิญญาณทำจักขาญตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ กายวิญญาณทำกายยตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอัพยการตวิบากและที่เป็นอัพยการตกริยาทรหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทรหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ในมงอเร็บพ <Yeah. S 2> uh ึงขยายพิดานณาเหมือนเหตุปัจจัยอัญญมัญญะปัจจัยสองรยห้าสิหกสภาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากะตะวิบากและที่เป็นอัพยากะตะกิริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันธ์สามทำขันธ์สองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและหาไทยวัตถุทำขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ ขันสองและหาตถ ay วัตถุ well, ทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหาตถ ay วัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหาตถ ay วัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและมหาภูตรูปสองทำมหาภูตรูปสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นตมุทฐานที่มีอุตุเป็นตมุทฐาน สำหรับเหล่าอสญัญญาสัตยพรมมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละมหาภูตรูปสองทำมหาภูตรูปสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักรคูวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกันที่เป็นอัพยกตะ วิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาธรำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมงเล็บพึงขยายให้พิจาราเหมือนอารามานปัจจัยนิตยะปัจจัย สองห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนิจญาปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมึงแล็บพึงขยายพิสดารเหมือนสหชาตปัจจัยอุปนิจญาปัจจัยสองอห้าสิบแสภาวธรรมที่เป็นกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอุปนิสยปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลในมือแรบปัจจัยนี้เหมือนกับอารามานปัจจัยปุเรชาตปัจจัยสองห้าสสภาวธรรมที่เป็นกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยการกิริธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤริให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทมขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตาตวิบากและที่เป็นอัพยกากตากกริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันธ์สองทำขันธ์สองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ทำหทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัย จกักขวิญญาณทำจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและกายวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอภยากตกิริยาทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาเสวนาปัจจัยได้แก่ธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลและสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาเสวนาปัจจัยได้แก่ขันธ์สามธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นอัพยากตการิยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลทำใหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิยากฤิตและสภาวธรรมที่เป็นอกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาเสวนปัจจัย ได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและกรรมะปัจจัย261สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมะปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริธธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตได้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาละในปฏิตนทิขณะละธรรมหาปูตารูปหนึ่งละ สำหรับลราสัญญาสัตย์พรมทรมหาภูต ร, รูปหนึ่งและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปท ร, รมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักขูวิญญาณทําจักขายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและกา ย, ย, ายากวิญญาณทํากายายาญตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอพยากตวิบากและที่เป็นอัพยกายตกิริยาธรทำทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภัยกฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและหัตยวัตถุละจิตตจมุทฐานรูปทำขันที่เป็นอกุศลและมหาภูตตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นวิปากปัจจัยสองสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริชทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปากับปัจจัยได้แก่ ทำขันหนึ่งที่เป็นอพยากตาวิบาคละในปฏิสนธิขณะละธรรมหาภูตรูปหนึ่งละจักกูวิญญาณทําจักขายัตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทํากายายัตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอพยากตาวิบาคลรำไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอาหารปัจจัยสอง สภาวธรรมที่เป็นก er ุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริษทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยละ ในปฏิสนที่ขณะและทำมหาปูตา ร, รูปหนึ่งที่มีอาหารเป็นตมุฏฐานและจักรูวิญญาณทําจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทํากายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยารำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บบริบูรณ์แล้วอินทรียปัจจัย สองสภาวธรรมที่เป็นกุศลรำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอินทรียปัจจัยละสำหรับเปล่าอสัญญสัตตพรมธรรมหาภูต ร, รูปหนึ่งละจักกุวิญญาณรำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละกายวิญญาณทำกายกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยการตากริยาธรรม้ทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในมุงเล็บพึงขยายอินตรียปัจจัยให้พิสดารเหมือนกับกรรมปัจจัยชานะปัจจัยและมรรคปัจจัยสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะชานะปัจจัยและเพราะมรรคปัจจัยในมุงเล็บพึงขยาย ชาณปัจจัยและมรรคปัจจัยพิสดาหเหมือนกับเหตุปัจจัยสัมปยุตตาปัจจัยสองร้สภาวธรรมที่เป็นกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสัมปยุตตาปัจจัยในมูเรบปัจจัยนี้เหมือนกับอารามณปัจจัยวิปยุตตาปัจจัยสองร้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 จิตตะมุฏฐานรูปทำขันที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นหัยวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิบยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัยกริศทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิบยุตตาปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะมุฏฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและ ขันสองและจิตตะมุฏฐานอรูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธรหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพระวิปปยุตตะปัจจัยจิตตะมุฏฐานรูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปปยุตตะปัจจัย ได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอ ก, กุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริธรรมสภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราวิปยุตตาปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปทำขันที่เป็นอ ก, กุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น หทัยวัตถุทําขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤติธรรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันสองและจิตตสมุทฐานารูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมหทัยวัตถุ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตัมุฐานารูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากติรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตัมุฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยากตกิริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและขันสองและจิต ตสมุทฐานอรูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระวิปยุตตาปัจจัยติดตสมุทฐานอรูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันสามและกตาตารูปทำขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองและกตัตารูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันทาหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยกตัตารูปทําขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยหทัยวัตถุทําขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทําหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทําหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยหทัยวัตถุทําขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยธรรมหาภูตรูปหนึ่ง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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลธรรมอหไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ธรรมอหทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลแะที่เป็นอัพยากริตธรรมสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริตได้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัย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 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตธรรมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัยได้แก่จิตตจ ม, มุทฐานารูปธรรมขันธ์ที่เป็นกุศลและมหาภูต ร, รูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตจ ม, มุทฐานารูปธรรมขันธ์ให้เป็นปจัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัยกฤตตามสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภัยกฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งทำขันสามและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 ได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลนละทำหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละขันสองทําขันสองและหะทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหะไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอักุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพระวิปยุตตาปัจจัย ได้แก brain, ่จิตตะมุฐานอรูปทำขันที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตะมุฐานอรูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพระวิปยุตตาปัจจัยสภาประธที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากริรรมสภาประธานที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพระวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและหัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละ ขันสองจิตตสมุทฐานารูปทำขันที่เป็นอกุศลและมหาปูตารูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้ น, น เ, นจจเนพระวิปยุตตาปัจจัยจิตตสมุทฐานารูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพระวิปยุตตาปัจจัยอธิปัจจัยเป็นต้นสอง สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปัจจัยละในมุลเลบอธิปัจจัยพึงแจกเหมือนสหชาตปัจจัยนัติปัจจัยและวิกตปัจจัยพึงแจกเหมือนอารามานปัจจัยอวิกตปัจจัยพึงแจกเหมือนสหชาตปัจจัย